พระบัญญัติหนก็ภิกษุณีใดมีพรรษาครบ12แล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติบวดให้กุลธิดาต้องอบัติป่าจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ